ขระภรนาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกุลมหาสังฆปรินายกต้นไม้ที่ตรัสรู้คติเรื่องพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเกี่ยวเนื่องจากคติเรื่อง พระพุทธเจ้าหลายพระองค์เพราะจะต้องมีท่านผู้เตรียมพระองค์จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในคำพีชาดกเป็นเรื่องเล่าถึงพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติต่างๆจนถึงเป็นพระเวสสันดรนับได้547ชาดกไม่นับสุเม็ดดาบทซึ่งเป็นชาติเริ่มต้นในบัดนี้ก็มีพระศรีอานเป็นพระโพธิสัตว์ สถิตอยู่ในดุสิตสวรรค์ซึ่งจะได้จุติมาตรสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเวลาอสงไขปีในอนาคตในกลับของพระธิปังกอพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นสี่พระองค์พระธิปังกอเป็นองค์ที่สฉะนั้นพระพุทธเจ้าจํานวน28พระองค์จึงนับแต่พระตันหังกอนซึ่งเป็นองค์หนึ่งในกลับนั้นสู่ในพานยักษ ผ่านพระเป็นต้นแสดงให้เพียงเจ็ดพระองค์โพธิพฤกษ์หรือไม้โพคือต้นไม้ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระทีปังก่อเป็นต้นไปพบในพุทธวงศ์เป็นต้นส่วนองค์ที่หนึ่งถึงที่สพบในจิลการมาลีดังต่อไปนี้ 1. พระตันถังก่อนไม้สตัตตาปณนะหรือตินเป็ดขาวสอง พระเมธังกรไม้กิ่งสุกกะหรือทองกวาว3าพระสรนังกรไม้ปาตาลีหรือแคฝ่อยพระทีปังกรไม้ปิดผลิตหรือเลียบหพระโกณทัญยะไม้สาระกะยานีหรือขานาง 6. พระมังคละไม้นาคหรือกากระทิงเจพระสุมนณะ ไม้นาคะหรือกากะทิง 8. พระเลวตะไม้นาคะหรือกากะถิงเกพระโสพิตะไม้นาคะหรือกากะถิง 10. พระอนมทัติศีไม้อัชฉริะหรือรกฟ้าขาวสิอพระปฐุมะไม้มหาโสนะหรืออ้อยชา้างขมมอกสิบสอง พระนารทะไม้มหาโสนะหรืออ้อยช้างข ม, มอก 13. พระปทุมุตระไม้สรละหรือสน 14. พระสุเมธะไม้มหานิมพะหรือสดาวป่า 15. พระสุชาตะไม้มหาเวรุหรือไผ่ใหญ่ 16. พระปิยทัศสีไม้กากุทะหรือกลม สิพระอัฏฐาทศีไม้จำปกะหรือจำปาบ่า 18. พระธรรมทัศศีไม้พิมพ์พชาละหรือกุระวกะหรือมะพระ้าวซองแมว 19. พระสิท ธ, าธาัตถะไม้กณิการะหรือกณิกา 20. พระติดสะไม้อัสนะหรือประดูไลย21พระปุตสะไม้อารมกะ หรือมะขามป้อม 22. พระวิปัสสีไม้ปาตาลีหรือแคฝอย 23. พระศิขีไม้ปุนทริกะหรือมะม่วงป่า 24. พระเวสภูไม้มหาสาระหรือสาละใหญ่ซ้านหลวงหรือมะตาดทางภาคเหนือ 25. พระกากูุสันทะไม้มหาสลีศะหรือซึกใหญ่ 26. พระโกนาคมณะไม้อุถุมพระหรือเมะเดือ่อ 27. ็พระกสปะไม้นิโครทะหรือไทรกราง 28. พระโคตมะคือพระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายไม้อ ส, สัศสัถถะหรือโพป่าแป้งไม้อ ส, สัตสัถถะไทยเราทั่วไปเรียกกันว่า หรือโพหรือโพใบหรือยังมีโพทะเลอีกอย่างหนึ่งลังกาก็เรียกว่าโพจะเป็นคําเดิมหรืออาจจะมาจากโพก็ได้ได้ทราบว่าทางพระอิสานเรียกว่าไม้ป่าแป้ง29พระเมตรยะไมอนาคตไม้นาคะหรือกากรถิ่งไม้โพของพระพุทธเจ้าทั้งหลายและไม้ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ดังกล่าวในพุทธประวัติหรือที่เกี่ยวแก่พระพุทธศาสนประวัติแม้ภายหลังพุทธปรินิพานได้มีนิยมปลูกในวัดทั้งหลายน้อยบ้างมากบ้างแต่ไม้อัสจกรย์ที่เราเรียกกันว่าต้นโพเป็นนิยมปลูกในวัดทั่วไปมีหลายวัดได้หนอ่อหรือพันมาจากโพที่พุทธขยาอันเป็นที่ตรัสรู้คติเรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ และพระโพธิสัตว์มีกล่าวในคำภี์ฝ่ายเทรวาฏนี้ตั้งแต่ชั้นบาลีเป็นต้นไปจึงมีคล้ายกับมหายานแต่ไม่เหมือนกันถึงอย่างนั้นก็คงมีแสดงเรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ด้วยกันและแสดงพระโพธิสัตว์ด้วยกันส่วนอธิบายมีต่างกันในกล่าวในฝ่ายเทรวาฏนี้แล้วจะได้เลือกกล่าวในฝ่ายมหายานที่บีบเคียนโดยสังเขป พ, พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ฝ่ายมหายานในฝ่ายมหายานแสดงว่ามีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งสถิตอยู่เป็นนิรันดรในสูงสวรรค์คือพระสยามผู่พุทธเจ้าหรือพระอาทิพุทธเจ้าและมีพระพุทธเจ้าอีกห้าพระองค์เกิดด้วยอำนาจฌานสมาบัติทั้งห้าของพระอาทิพุทธเจ้าสถิตอยู่ในสวรรค์เช่นเดียวกันเรียกว่า พระทยานิพุทธเจ้าห้าพระองค์หนึ่งพระไวยโรจนะทำหัดอย่างปางปฐมเทศนาสองพระอักษโสภาทำหัดอย่างปางมานวิชัยสพระรัตนสัมภวะทำหัดอย่างปางประธานพรสพระอมิตาภะทำหัดอย่างปางสมาธิหพระอโมคคสิทธะทำหัดอย่างปางประธานอภัย พระพุทธรูปศีลาแห่งพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงได้มาชุดหนึ่งเมื่อคราเสด็จพระราชดำเนินเกาะชวาเมื่อพุทธศักราช2439โปรดให้ประดิษฐานที่พระเจดีย์วัดราชาธิวาสสี่องค์ที่สี่มุมแห่งพระเจดีย์อีกองค์หนึ่งโปรดให้ประดิษฐานที่ซุ้มยอดปรางด้านทิศตะวันตกแห่งพระอุโบสถวัดประวันิเวศวิหารคือ พระไวโรจนะถือกันว่าพระไวยโรจนะเป็นองค์กลางอีนสีองค์อยู่ล้อมรอบแต่ลทิศพระบุธรูปศิลาชุดห้าองค์นี้เดิมปฏิสถานอยู่ที่พระเจดีย์ปุโรพุทโธในกอชว่าเมื่อเร็วๆนี้ที่วัดราชาธิวาสถูกผู้ร้ายลักตัดพระเศียนไปองค์หนึ่งถ้าใครติดตามนำกลับมาติดต่อคืนได้จะเป็นกุศลอย่างยิ่งต่อมามีเพิ่มขึ้นมาใหม่อีกปางหนึ่ง เรียกว่าพระภัยสัตรครุทำพระหัตอย่างปางสมาธิถือวัชิระดูเป็นหม้อน้ำมนต์หรือผลสมอไปบ้างเป็นต้นแบบพระกริ่งทั้งปวงพระพุทธเจ้าเหล่านี้เป็นผู้บรรดาลให้พระโพธิสัตว์จุติลงมาเกิดเป็นพระมนุษย์พุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายหรือแม้พระพุทธเจ้า28พระองค์ตลอดจนถึงพระศรีอานที่จะตัดสู้ข้างหน้า เป็นพระมนุษย์พุทธเจ้าทาั้งนั้นพระมนุษย์พุทธเจ้ามีพระกายสามอย่างคือ 1. พระธรรมกายได้แก่กายธรรมคือตัวพระธรรมที่ตรัสรู้ 2. สัมโพกกายได้แก่กายเนื้อหรือรูปนามเกิดแก่ตาย 3. นิรมานกายได้แก่กายที่บริสุทธิ์ตั้งแต่ใต้ตรัสรู้พระภัยสัครุบางพวกถือว่า เป็นพระมนุษย์พุทธเจ้าพระองค์หนึ่งด้วยส่วนพระโพธิสัตว์มีมากได้แก่ท่านผู้ที่จะสําเร็จก็ได้แต่ไม่ยอมสําเร็จเป็นพระอรหันต์มุ่งจะช่วยโลกต่อไปก่อนแบ่งเป็นทยานิโพุทธสัตว์พวกหนึ่งมนุษย์โพธิสัตว์จําพวกหนึ่งมีจํานวนมากแต่พระทยานิโพธิสัตว์ที่สําคัญมีห้าพระองค์คือ 1. สมัญตพัทธโพธิสัตว์ผู้รักษาพระศาสนาของพระกากุสันทะ พุทธเจ้า 2. วัชรปาณีโพนิสัตวผู้รักษาพระศาสนาของพระโกนาคมพุทธเจ้า 3. รัตนปาณีโพธิสัตวผู้รักษาพระศาสนาของพระกัสสปะพุทธเจ้า 4. อวโลกิเตศวนโพนิสัตว์ผู้รักษาพระศาสนาของพระโคดมสักยมุนีพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน 5. วิสวัตปาณีโพธิสัตวจะเป็นผู้รักษาพระศาสนา ของพระศีริรยะเมตรายพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตเทราวและอาจารยวาทคำว่าเทราวและอาจารยวาะเป็นต้นมีความหมายโดยย่อดังต่อไปนี้เทราดแปลวา่าถ้อยคำของพระเถระประวัติของคำนี้มีว่าในคราวที่พระอาหารหันต์จำนวนห้ารอยรูปประชุมกันทมสังคยาพระธรรมวินัยครั้งที่หนึ่ง ภายหลังพุทธปรินิพานสามเดือนพระมหากัะสปะเทระซึ่งเป็นประธานได้ตั้งข้อห้ามการถอนพระพุทธบัญญัติตามที่ได้มีพระพุทธานุญาตไว้ว่าเมื่อสงปรารถนาก็ให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ที่ประชุมทั้งหมดรับรองฉะนั้นพระสงฆ์ฝ่ายที่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้จึงเรียกว่าฝ่ายเทรวาด เราได้ถือปฏิบัติตามวาทะของพระเถระคือพระมหากรสปะหรือของพระเถระผู้ให้ความตกลงเป็นครั้งแรกเหล่านั้นแต่ได้มีพระสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งไม่ได้เข้าประชุมสังฆนาครั้งนั้นไม่เห็นด้วยคือเห็นว่าเมื่อมีพระพุท ธ, ธานุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ก็ควรจะถอนได้ฉะนั้นจึงได้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยต่างๆที่เห็นว่าปฏิบัติไม่สะดวก ต่างอาจารย์ก็ต่างถอนตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างฝ่ายนี้เรียกว่าอาจริยว่าแปลว่าถ้อยคำของอาจารย์เมื่อแพ่ขยายออกไปในถิ่นต่างๆก็ยิ่งต่างกันออกไปท่านก็ยิ่งถอนจนถึงสิกขาบทใหญ่ๆเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปตามหมู่คณะและถิ่นประเทศพระสงฆ์สายนี้โดยมากแพ่ขยายไปทางเหนือของอินเดียจึงเรียกว่าอุตรนิกาย แปลว่านิกายเหนือศูนย์สายเทรวาทโดยมากแผ่ไปทางใต้ของอินเดียจึงเรียกว่าทักสินนิกายแปลว่านิกายใต้สายอยาจริยวาทหรืออุตรานิกายนั้นในเวลาต่อมาก็มีใช่แก้แต่วินัยเท่านั้นแต่ได้แก้หลักธรรมตามคติเดิมด้วยดังเช่นแก้เรื่องพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ดังกล่าวแล้ว ตามกติเดิมแสดงว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนคำว่าธรรมหมายถึงทั้งสังขารวิสังขารเป็นอนัตตาทั้งหมดวิสังขารโดยเฉพาะคือพระนิพพานก็เป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นผู้สิ้นอาสวะกิเลสหมดแล้วก็สิ้นชาติภพไม่เกิดเป็นอะไรอีกต่อไปและสิ้นสมมติบัญญัติทั้งหมด หมดเรื่องที่จะพูดว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นส่วนทางอุตรนิกายนั้นแก้เป็นมีอาธิพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นอัตตาตัวตนอยู่บนสูงสวรรค์สถิตอยู่เป็นนิรันดรจึงเป็นการแก้ธรรมให้เป็นอัตตาขึ้นและแสดงพระโพธิสัตว์เป็นอันมากซึ่งยังคงอยู่กับโลกเพื่อช่วยโลกจึงเรียกฝ่ายของตนว่ามหายานแปลว่ายานคือพาณิที่ใหญ่ อาที่จะช่วยบรรทุกสัตว์โลกเป็นอันมากให้ข้ามพ้นจากความทุกข์ได้และเรียกฝ่ายเทราวาทว่าหินยานแปลว่ายานคือภานะที่เล็กเพราะเอาตัวรอดเฉพาะตัวปฏิบัติเพื่อบรรลุพระอรหันเฉพาะตนไม่รอยอยู่ช่วยโลกต่อไปก่อนฉะนั้นเทราวา่าทัศนิกายหรือหินยานจึงเป็นสายเดียวกันบัดนี้ตั้งอยู่ในลังกาไทยพมา่ามอญ เป็นต้นสายนี้ยึดถือรักษาพระธรรมวินัยตามหลักเดิมไว้ส่วนอจริยาวาทอุตรนิกายหรือมหายาณก็เป็นสายเดียวกันบัดนี้ตั้งอยู่ในทิเบตจีนญี่ปุ่นเกาหลียวนเป็นต้นทั้งสองสายเดิมก็คงไม่ต่างกันมากแต่เมื่อล่วงมานานๆก็ยิ่งต่างกันออกไปทุกทีและในสายเดียวกัน ก็ยังแบ่งย่อยออกเป็นให้กายเล็กน้อยอีกเป็นอันมากจะพาะในสายเถรวาส น, นั้นคติเรื่องพระพุทธเจ้าหลายพระองค์และพระโพธิสัตว์จะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ยากที่จะทราบได้แต่ถ้าสมมุติว่าเกิดขึ้นภายหลังเพื่อไม่ให้ด้อยน้อยหน้ากว่าฝ่ายมหา ย, ยานแต่ก็ยังรักษาหลักเดิมคือแสดงพระพุทธเจ้าในมนุษย์ซึ่งอุบัติขึ้นในกัปต่างๆแต่ไม่บังเกิดขึ้นในคราวเดียวกันสองพระองค์ เมื่อศาสนาของพระองค์หนึ่งเสื่อมสูญไปสิ้นแล้วถึงยุคสมัยจึงจะเกิดขึ้นอีกพระองค์หนึ่งและธรรมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์แสดงสั่งสอนเช่นอริยสัจก็เป็นอย่างเดียวกันไม่มีแตกต่างกันส่วนพระโพธิสัตว์ก็ใช้จํากัดเฉพาะผู้ที่จะตั้สรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระองค์หนึ่งเท่านั้นและมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วในเรื่องสุมเมตดาบทแต่ก็มีแสดงว่าอาจสาเร็จได้ หากไม่ยอมสำเร็จเพราะปราถนาพุทธภูมิเพื่อจะช่วยโลกคร้ายกับความต้องการเป็นพระโพธิษัตว์ในฝ่ายมหา ย, ยานพิจารณาดูตามเหตุผลอันความจริงในโลกหรือกฎความจริงของสิ่งทั้งหลายย่อมมีอยู่เป็นอย่างเดียวกันทุกกาลสมัยยกตัวอย่างในทางโลกเช่นสิ่งที่เรียกว่าไฟฟ้ากฎความจริงในเรื่องนี้ก็มีอยู่ประจาโลกเมื่อใครค้นพบ ก็ประดิษฐ์ไฟฟ้าขึ้นใช้ได้ถ้าวิชาในเรื่องนี้ต้องสาบศูนย์ไปเพราะเหตุอะไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่ากฎความจริงในเรื่องนี้จะต้องสาบสูนย์ไปด้วยเมื่อใครคนพบเข้าอีกก็อาจประดิษฐ์ใช้ได้อีกธรรมคือความจริงที่สถิตยอยู่เป็นอากาลิโกหรือไม่มีการได้มีพระสูตรหนึ่งแสดงโดยความว่าพระตถาคตหรือพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม ภาตนั้นก็คงตั้งอยู่เป็นธรรมทิฏฐิหรือความตั้นอยู่แห่งธรรมเป็นธรรมนิยามหรือความกําหนดแน่แท้แห่งธรรมคือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยนสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาพิจารณาดูหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นมุ่งแสดงธรรมเพื่อให้เกิดความรู้เข้าใจปฏิบัติให้สําเร็จประโยชน์ได้ในปัจจุบันเช่นหลักอริยสัจ ไม่ได้มุ่งสืบความยาวสาวความยืดให้เนิ่นช้าไม่มีประโยชน์และคําที่เป็นพระหูพจน์เช่นพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระตถาคตทั้งหลายก็เป็นสำนวนของภาษาแม้คนเดียวก็มีสำนวนนิยมพูดเป็นพระหูพจน์เช่นเมื่อพูดกับผู้ใหญ่แม้คนเดียวใช้สรรพนามแทนท่านด้วยพระหูพจน์หรือต้องการจะพูดให้ฟังรวมๆกันให้หมายครุมถึงในวงเดียวกันทั้งหมดก็ใช้พระหูพจน์ และในปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระองค์เองว่าตถาคตแทนคําสรรพนามเมื่อกล่าวถึงพระองค์ในเวลาก่อนตัสรู้เรียกว่าโพธิสัตเป็นคำที่ใช้เรียกเพื่อให้เข้าใจกันเท่านั้นแต่เมื่อได้มีคติความคิดสืบสาวออกไปก็กลายเป็นเรื่องยืดยาวใหญ่โตถึงดังนั้นก็เป็นเรื่องที่นับถือกันอยู่เป็นอันมากและเป็นวรรณคดีทางาศาสนาอันมีค่า ที่พึงรักษาไว้ประกอบด้วยคติธรรมเป็นอันมากโปรดติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป